การฟังเทศฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่อย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องหรือการศึกษาจากหนังสือธรรมะต่างๆจะทำให้เราได้รู้จักพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดีขึ้นไป ตามลาดับจะทำให้เราเข้าใจว่าทำไมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจึงเรียกว่ารัตนไตรพระรัตนไตรรัตนะก็แปลว่าอัญญมนีสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเช่นเพชรนินจินดาต่างๆ ไตรก็แปลว่าสามเรามีพระรัตนไตรคือมีอั ญ, ญมณีที่มีคุณค่าอย่างยิ่งอยู่สามองค์ด้วยกันในพระพุทธศาสนาและคุณค่าของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เมื่อเปรียบเทียบกับอั ญ, ญมณีต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้แล้วคุณค่าราคาหรือคุณประโยชน์ของพระรัตนตรัยนี้มีมากกว่าอั ญ, ญมณีต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เหมือนกับฟ้ากับดินเลยคุณค่าของพระรัตนตรัยนี้จะให้ความสุขกับพวกเรา ที่เหนือกว่าความสุขต่างๆที่เราจะได้รับจากของที่มีค่าต่างๆในโลกนี้และจะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเรานี้ให้หายไปหมดอย่างถาวรอนไม่เหมือนกับสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้ที่ไม่สามารถที่จะกาจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดสิ้นไปได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามจะเป็นลาบก็ดีเป็นยศก็ดีเป็นสรรเสริญก็ดีเป็นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ดี สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดสิ้นไปได้จะกำจัดได้ก็เป็นชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นให้ความสุขก็ให้ความสุขแบบชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นแต่จะไม่สามารถ ให้ความสุขแบบถาวรได้ไม่สามารถกำจัดความทุกข์ให้หมดสิ้นไปจากใจได้อย่างถาวรมีแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่จะให้ความสุขแก่พวกเราได้อย่างถาวรและกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไป ได้อย่างทาวนนี่คือคุณประโยชน์จากการที่เราได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆโดยการอ่านหนังสือธรรมะก็ดีด้วยการฟังเทศฟังธรรมก็ดีจะทำให้เราเกิดความรู้เหล่านี้ขึ้นมาจะทำให้เรา เห็นคุณค่าเห็นคุณประโยชน์ของพระรัตนตรยัยของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และจะทำให้เราอยากจะได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นสมบัติของพวกเราถ้าเราไม่ได้ศึกษาธรรมะกันอย่างต่อเนื่องอย่างท่องแท้เราจะไม่รู้จักคุณค่าของพระรัตนตรยัย เราก็จะเป็นเหมือนไก่ได้พลอยไก่นี้เขาไม่รู้จักคุณค่าของเพชรของพลอยเวลาเขาหากินเขาจะขุดคุ้ยเขีย่ยหาตัวหนอนตัวไส้เดือนพอไปเจอเพชร เ, เ, เจอพลอยเขาจะเขี่ยทิ้งทันทีเพราะเขาไม่รู้จักคุณค่าคุณประโยชน์ของเพชรของพลอย ว่ามีคุณค่ามีประโยชน์มากกว่าตัวหนอนตัวไส้เดือนที่เขาหากินอยู่แต่ถ้าเขาได้ศึกษาหรือมีใครบอกว่าถ้าได้เพชรได้พลอยนี้สามารถเอาไปแลกเปลี่ยนอาหารอันโอชาต่างๆมารับประทานได้ไปจนวันตายเขาก็จะเปลี่ยนการค้นหาของเขาทันที แทนที่จะขุดคุ้ยหาตัวหนอนตัวไส้เดือนเขาก็จะขุดคุ้ยหาแต่เพชรหาแต่พลอยแต่ไม่มีใครสอนไก่ได้ว่าเพชรพลอยนี้มีคุณค่าราคามีคุณประโยชน์มากกว่าตัวหนอนตัวไส้เดือนไก่ก็เลยต้องหาแต่ตัวหนอนตัวไส้เดือนกินไป ประตังชีพไปแต่ละวันเท่านั้นเพราะว่าไม่รู้จักคุณค่าของเพชรของพลอยผู้ที่ไม่ได้ศึกษาพราะธรรมคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนไก่ได้พลอยนี้เองจะไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่จะไปเห็นคุณค่าของตัวนอนไส้เดือนคือลาบยศสรรเสริญสุข นี่เองพวกเราที่เป็นชาวพุทธถึงแม้ว่าจะเรียกว่าตนเองเป็นชาวพุทธก็ยังไม่รู้ว่าเป็นพุทธแท้หรือไม่พุทธแท้ถ้าพุทธแท้แล้วต้องเห็นคุณค่าคุณประโยชน์ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และจะเลือกเอาแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นสมบัติจะไม่เลือกเอาลาบยศสรรเสริญ จะไม่เอาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมาเป็นสมบัติเพราะผู้ที่รู้ความจริงจะรู้ว่าลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นสมบัติชั่วคราวสามารถที่จะให้ความสุขได้เพียงชั่วคราวสามารถกำจัดความทุกข์ ต่างๆให้หมดไปได้เพียงชั่วคราวแต่ไม่สามารถที่จะให้ความสุขอย่างถาวรให้กําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้อย่างถาวร น, นี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้เราจะได้รู้ว่าอะไรเป็นเพชรเป็นพลอย เป็นอั ญ, ญมณีอันมีค่าแก่จิตใจของพวกเราเราจะรู้ว่าอะไรเป็นตัวหนอนตัวไส้เดือนถ้าเราหมั่นศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆ เ, เราจะเห็นว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมีคุณประโยชน์แก่จิตใจของพวกเรา ได้เท่ากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อเราเห็นดังนี้แล้วเราก็จะมุ่งไปหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่หาลาบยศสรรเสริญไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายบุคคลที่เห็นคุณค่าของพระรัตนตรัยที่เราเ เห็นได้ในโลกนี้ก็คือพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายนั่นเองผู้ที่ออกบวชเนี่ผู้ที่ออกบวชในพระพุทธศาสนาบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาท่านได้เปลี่ยนวิธีหาความสุขเปลี่ยนวิธีกำจัดความทุกข์จากวิธีเก่าที่เคยทาคือ หาจากราบยศสรรเสริญหาจากความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราเปลี่ยนมาหาความสุขหาวิธีกาจัดความทุกข์จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าท่านเพียรพยายามศึกษาเพียรพยายามปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ช้าก็เร็ว ท่านก็จะสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้สามารถสร้างความสุขให้มีเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่แหละคือประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ผู้ที่เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราเห็นกันก็คือภาะภิกษุทั้งหลายที่บวชอยู่ในพระพุทธศาสนานี้เองเพียงแต่ว่าท่านจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้หรือไม่เท่านั้นก็ขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถ ถ้าไม่มีความรู้ความสามารถของตนเองก็ต้องพึ่งความรู้ความสามารถของผู้อื่นคือของครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นพระสุปฏิปันโนก็คือเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยนั่นเองก็คือเป็นพระสงฆ์เป็นพระอริยสงฆ์สาวกให้มาเป็นผู้คอยสั่งคอยสอน หรือถ้าไม่สามารถหาพระอริยสงสาวกมาเป็นผู้สั่งผู้สอนได้ก็ต้องเข้าหาพระไตรปิฎกเข้าหาพระธรรมคําสั่งคําสอนในพระไตรปิฎกเพราะว่าพระไตรปิฎกนี้ถือว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าคําสั่งคําสอนต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ ในขณะที่มีพระชนชีพอยู่ตลอดระยะเวลา45ปีด้วยกันนับตั้งแต่วันแรกที่พระองค์ได้ทรงประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกพระองค์ก็ทรงสแสดงธรรมอยู่อย่างต่อเนื่องทรงมีพุทธกิจอยู่5ประการด้วยกันในแต่ละวัน ในพุทธกิจเหล่านี้สี่พุทธกิจนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของการสั่งสอนธรรมะให้แก่สัตว์โลกเนีเช่นตอนบ่ายจะทรงแสดงธรรมให้แก่คารวะญาติโยมยามค่ำก็จะแสดงธรรมให้แก่พระภิกษุภิกษุณีสา ม, มเณรในยามดึกก็จะแสดงธรรมให้แก่เทวดา ในยามเช้าก่อนที่จะทรงออกบินทบาทจะทรงเร่งยานดูว่าวันนั้นจะไปแสดงธรรมให้แก่ผู้ใดเป็นกรณีพิเศษนี่คือพุทธกิจของพระพุทธเจ้าที่ทรงทาอยู่ประจำทุกวันคือแสดงธรรมให้แก่บุคคลต่างๆสี่รอบด้วยกันแล้ว พุทธกิจข้อที่หก็คือทรงออกบินทบาตรโปรดสัตว์นี่คือกิ จ, จวัตรของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงบำเพ็ญตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปีพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีจำนวนมากมายมีผู้ที่ศึกษาและท่องจำกันไว้ เพื่ออนุรักษ์ไว้ให้แก่อนุชนนุ่นหลัก็คือพระภิกษุทั้งหลายที่ได้มาบวชได้มาฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็จะจดจำพระธรรมคำสั่งคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าแล้วเวลาที่หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ท่งจากโลกนี้ไปแล้วพระอาหารหันตสาวกห้าร้อยรูป ก็ได้มาประชุมกันเพื่อมาทบทวนคำสอนคำสั่งต่างๆของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการจดจำมาเพื่อไม่ให้มีการคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงที่ได้ทรงตัดเอาไว้แล้วก็ได้อนุรักษ์ไว้รวมกันไว้ในพระไตรปิฎกและก็มีพระภิกษุที่มาบวช ทุกยุคทุกสมัยก็จะมาศึกษามาจดมาจำแล้วก็มาถ่ายทอดให้แก่ภิกษุรุ่นหลังตามลำดับมาจนถึงปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้เรามีสื่อบันทึกต่างๆก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องท่องจำกันมากเหมือนในยุคที่ไม่มีสื่อบันทึก ในปัจจุบันเราก็เลยมีหนังสือมีมีสื่ออย่างอื่นเช่นทางอินเทอร์เน็ตทางทางเครื่องคามต่างๆที่เราได้บรรจุคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าไว้คำสอนเหล่านี้แหละที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ก่อนที่จะจากพวกเราไปว่า พวกเธอทั้งหลายจะไม่ได้อยู่ปราศจากเราเรายังอยู่ต่อไปเราจะอยู่ในพระธรรมคําสั่งคําสอนนี่แหละพระธรรมคําสั่งคําสอนที่เราสอนไว้ตัดไว้ชอบแล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดาดังนั้นถ้าเราอยากจะเรียนรู้ เรื่องราวของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็ยังมีแหล่งเรียนรู้อยู่สองแหล่งด้วยกันคือแหล่งที่หนึ่งก็คือพระธรรมคาสอนที่ได้มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเช่นพระสูตรต่างๆหรือพระอภิธรรมอันนี้ถ้าเราอยากจะรู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็สามารถไปศึกษาจากพระไตรปิฎกได้ ยิงสมัยนี้พระไตรปิฎกนี้ก็มีอยู่ในมือถือของเราแล้วถ้าเราอยากจะรู้คำสอนบทใดของพระพุทธเจ้าเราสามารถเรียกขึ้นมาดูได้ทันทีหรือถ้าเราอยากจะหาอยากจะศึกษาจากอีกแหล่งหนึ่งคือจากพระอริยสงสาวก เราก็ต้องไปค้นหาพระอริยสงสาวกที่ยังมีพอมีอยู่ในโลกนี้แต่อาจจะต้องใช้เวลาหาค้นคว้าพาะมีไม่มากไม่มีมีไม่ทั่วไปพระภิกษุที่มาบวชนี้แบ่งเป็นสองพวกด้วยกันคือพวกที่เรียนจบแล้วสำเร็จแล้วกับพวกที่ยังกําลังศึกษายังเรียนไม่จบ ส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่ศึกษาอยู่พวกที่ยังเรียนไม่จบพวกที่เรียนจบแล้วนี้จะมีแต่ก็มีเป็นจำนวนน้อยแต่ก็พอหาได้ถ้าเรามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่อยากจะเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็สามารถถามบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ได้ ไปตามวัดต่างๆอ่านหนังสือต่างๆเดี๋ยวเราก็จะได้รู้จักพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วพอเรารู้ว่าใครเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าเราต้องการศึกษาจากท่านเราก็ไปศึกษาจากท่านได้ซึ่งในสมัยนี้บางทีก็ไม่ต้องไปถึงที่ที่ท่านอยู่ก็ได้เพราะว่า ท่านมีหนังสือต่างๆพิมพ์แจกและก็มีการบันทึกไว้ในอินเทอร์เน็ตที่เราสามารถเข้าไปค้นหาเข้าไปศึกษาได้การแสดงธรรมของท่านก็มีการบันทึกเป็นภาพเป็นวิดีโอไว้ให้สําหรับผู้ที่ต้องการจะศึกษาสามารถศึกษาได้แต่สิ่งที่จําเป็น จริงๆนั่นก็คืออยู่ที่ตัวเราเท่านั้นว่าเรามีความสนใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มากน้อยเพียงไรรถ้าเราไม่มีความสนใจต่อให้เราได้เจอกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะไม่ได้รับประโยชน์แต่อย่างใดอย่างพระพุทธเจ้าทรงเคยตรัสไว้ว่าถึงแม้เธอจะเกาะชายผ้าเหลืองของเรา แต่ถ้าเธอไม่สนใจในพระธรรมคำสั่งคำสอนของเราเธอก็เหมือนกับอยู่ห่างไกลจากเราเป็นโยต์แต่ถ้าเธออยู่ห่างไกลจากเราเป็นโยตแต่มีความสนใจที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนของเราเธอก็เป็นเหมือนบุคคลที่กำลังเกาะชายผ้าเหลืองของเราอยู่อันนี้มันมีสองส่วนด้วยกัน ส่วนหนึ่งก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกส่วนหนึ่งก็ตัวเราเองว่าตัวเรานี้จะเห็นคุณค่าของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือไม่จะมีความยินดีที่จะหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือไม่ถ้าเราไม่มีความยินดีถึงแม้เราจะได้เจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่มีคุณค่ามหาศาลต่อจิตใจของพวกเรา เราก็จะไม่สามารถเข้าถึงได้ดังนั้นการที่เราจะเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้นี้ก็ต้องเกิดจากการที่เรามีความยินดีในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเรามีความยินดีแล้วเราจะมีความเพียรพยายามที่จะสวงหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่พอเราเจอแล้วเราก็จะ ศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างจริงจังเมื่อได้ศึกษาอย่างจริงจังได้รู้ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรก็จะปฏิบัติอย่างจริงจังถ้าลองได้ศึกษาได้ปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างจริงจังอย่างเช่นเช่นเดียวกันผลจะเกิดขึ้นมาได้ในภพนี้ชาตินี้เลย โอกาสที่เราสามารถที่จะบรรลุธรรมสามารถที่จะหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในภพนี้ชาตินี้ได้ใน น, นานๆจะเกิดขึ้นมาสักครั้งหนึ่งไม่ใช่จะเกิดขึ้นมาบ่อยเหมือนกับการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งไม่ใช่เป็นของที่จะถูกกันได้อย่างง่ายดาย นานจะมีคนหนึ่งจะถูกขึ้นมาได้สักคนหนึ่งถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ต่อให้เรามีความปรารถนาอันแรงกล้าที่อยากจะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่รวมแล้วในจิตในใจของพวกเราอยู่นี้เราจะไม่สามารถทำให้มันสำเร็จได้ภายในภพนี้ชาตินี้ แต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราสามารถที่จะบรรลุดุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ภายในภพนี้ชาตินี้เลยดังที่พระองค์ได้ทรงทำนายไว้ในการแสดงธรรมของพระองค์ในมาหาสติปัฏฐานสูตรว่า ผู้ใดสามารถปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนที่สอนให้ปฏิบัตินี้ได้จะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีอันนี้เป็นคำรับประกันของพระพุทธเจ้าเพราะว่าการจะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจได้เข้าถึงความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงได้นี้ต้องมีพระธรรมคำสอนเป็นผู้นำไปเท่านั้นถ้ามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะไม่มีใครสามารถที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ จะต้องเวียนว่ายตายเกิดกันไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้ามาได้พบกับพระพุทธศาสนาพบกับองค์ใดองค์หนึ่งของพระพุทธศาสนาคือพบกับพระพุทธเจ้าหรือพบกับตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคำสอนหรือพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าก็จะสามารถที่จะ ปฏิบัติให้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ในภพนั้นเลยนี่แหละคือคุณค่าอันมหาศาลคุณประโยชน์อันมหาศาลของพระรัตนตรัยของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่พวกเราไม่ควรมองข้ามกันไปเพราะว่าถ้าเรามองข้ามไปแล้วเราจะเสียประโยชน์อันมหาศาล ประโยชน์ที่เราพึงจะได้รับกันพวกเราทุกคนนี้มีความสามารถเท่าๆกันสามารถที่จะหลุดพ้นจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เท่าๆกันเพราะว่าพวกเราทุกคนมีความปรารถนาเหมือนกันพวกเราทุกคนปรารถนาที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเรา มีความปรารถนาที่จะมีที่จะมีความสุขตลอดเวลามีความสุขเพียงอย่างเดียวเมื่อเรามีความปรารถนาเหมือนกันเราก็ต้องมีความสามารถเหมือนกันนี่แหละคือสิ่งที่เราอาจจะไม่รู้กันแล้วเราอาจจะประมาทตัวเราเองเท่าที่ได้ยินชาวพูดเราส่วนมากมักจะประบาดตนเองว่า ชติ น, นี้เราไม่มีบุญเราไม่มีความสามารถที่จะปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าได้อันนี้เป็นความเข้าใจผิดเป็นความประมาทของตนเองเพราะความจริงแล้วพวกเราทุกคนมีดวงจิตดวงใจที่สามารถที่จะรับรู้พระธรรมคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าได้เหมือนกัน เราฟังเทศฟังธรรมพร้อมกันเราได้ยินได้ฟังธรรมพร้อมกั น, เ ร, น, รรกนเราสามารถน้อมเอาคำสั่งคำสอนนี้ไปปฏิบัติได้เท่ากันอยู่ที่การประเมินตัวของเราเองเท่านั้นเรามักจะประเมินตัวเราต่ำเกินไปเราควรจะประเมินว่าเรานี้ก็เป็นเหมือนกับพระอริยสงสาวก ที่ท่านได้บรรลุธรรมมาก่อนพวกเราก่อนที่ท่านจะได้บรรลุเป็นพระอริยสงฆ์สาวกท่านก็เป็นเหมือนพวกเราท่านก็ตกอยู่ในกองทุกข์ต่างๆตกอยู่ในความกองทุกข์แห่งความสูญเสียกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายแต่พอท่านเหล่านั้นได้ยินได้ฟังได้สัมผัสกับพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ท่านกมเกิดมีศรัทธาอันแรงกล้ามีความปรารถนาที่จะปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนเพราะเชื่ออย่างเต็มร้อยในหัวใจว่านี่แหละคือวิธีที่จะทำให้ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในหัวใจที่จะเข้าถึงความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงได้ เข้าสู่ความสุขที่ถาวรที่แท้จริงได้ตอนนี้ได้มีโอกาสแล้วได้พบทางแล้วคือคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งที่เราต้องทำก็มีเพียงแต่ปฏิบัติตามเท่านั้นซึ่งทุกคนก็สามารถปฏิบัติตามได้ขอให้มีความยินดีที่จะปฏิบัติเท่านั้น ถ้าไม่มีความยินดีนี้ก็จะไม่สามารถปฏิบัติได้การที่ไม่มีความยินดีก็เพราะว่ายังมีความหลงติดอยู่กับความสุขปลอมติดอยู่กับวิธีกำจัดความทุกข์ปลอมนั่นเองคือถ้ายังมีความหลงติดอยู่กับการหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่จะทาให ไม่อยากที่จะเปลี่ยนวิธีในการดับความทุกข์เปลี่ยนวิธีในการหาความสุขแต่ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนวิธีเราต้องมองโทษของการหาความสุขโทษของการดับความทุกข์ด้วยการหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลินกายเราจะเห็นโทษได้อย่างไรเราก็ต้องมอง ความเป็นจริงว่าลาบยศสลตเสรินความสุขที่เราหาทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้มันเป็นของชั่วคราวนั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหากันในโลกนี้มันเป็นของชั่วคราวความสุขก็เป็นความสุขชั่วคราวความดับทุ ก, ก็ดับเป็นความดับทุกชั่วคราวเท่านั้น ถ้าเราสังเกตรเราจะรู้เราจะเห็นเวลาที่เราได้ราบยศสะละเสริญได้สัมผัสกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราจะมีความสุขกันมากแต่ถ้าเราสังเกตดูเราจะเห็นว่ามันอยู่ไม่นานมันอยู่เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วสิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยว คามอ้างวางเปล่าเปี่ยวเดียวดายที่ทำให้เราต้องพยายามหามันมาเพิ่มอยู่เรื่อยๆเราจึงต้องดิ้นรนหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันอยู่แทบทุกวันเพราะความสุขที่เราได้เมื่อวานนี้มันหายไปไหนแล้วความสุขต่างๆที่เราได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผล พ, พะ ของเมื่อวานนี้ของอาทิตย์ที่แล้วของเดือนที่แล้วของปีที่แล้วมันหายไปไหนหมดแล้วเราสามารถเอากลับมาให้ความสุขกับเราได้หรือเปล่าไม่ได้เลยความสุขที่เราได้จากการไปเที่ยวความสุขที่ได้จากการซื้อของต่างๆมันได้มามันรับปั๊บเดียวมันก็หายไปพอมันหายไปมันก็เหมือนกับว่าเราไม่เคยมีความสุขเลย เราจึงต้องหาความสุขใหม่กันอยู่เรื่อยๆนี่แหละคือธรรมชาติของความสุขที่เราหากันจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสพธถะมะมันเป็นแบบนี้มันได้มาปั๊บแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปส่วนความทุกข์ก็เช่นเดียวกันความทุกข์ที่เราคอยกาจัดจากด้วยการใช้ลาบยศสรรเสริญใช้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย มันก็หายไปชั่วคราวพอไปเที่ยวความทุกข์ต่างๆที่เรามีอยู่ก็หายไปชั่วคราวพอกลับมาบ้านกลับมาที่ทำงานก็มาเจอไอ้ความทุกข์เก่านั่นรอเราอยู่อีกดังนั้นถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาเราจะเห็นว่าวิธีการดับความทุกข์วิธีหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญ ส, สุขนี้เป็นวิธีชั่วคราว และจะเป็นความทุกข์ต่อไปเพราะว่าร่างกายของเราจะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆกําลังวังชาที่เราจะใช้ในการหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายมันจะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆแล้วไม่ช้าก็เร็วก็อาจจะสะดุดได้เช่นร่างกายก็อาจจะพิกลพิการขึ้นมาได้ครับ หรือเราอาจจะสูญเสียลาบยศสรรเสริญสุขไปก็ได้ลาบยศสรรเสริญ น, นี้มันมีขึ้นแล้วมันก็มีลงได้มีเจริญก็มีเสื่อมได้มีเกิดก็มีดับได้นี่คือสิ่งที่เราไม่มองกันไม่พิจารณากันเราก็เลยยังติดอยู่กับการหาความสุขเก่จากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะอยู่ แต่ถ้าเราลองพิจารณาดูความเป็นจริงของสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขัง อ, น, อนัตตาอนิจจังก็คือไม่แน่นอนมีเกิดมีดับมีมามีไปมีขึ้นมีลงอนัตตาไม่ใช่ของเราไม่ได้อยู่กับเราไปตลอด พอมันไม่อยู่กับเราไปตลอดพอมันเปลี่ยนไปพอมันเสื่อมไปมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเวลาที่เราสูญเสียสิ่งที่เรารักไปรู้สึกอย่างไรเรามีความสุขหรือเรามีความทุกข์กันเวลาที่เราสูญเสียลาบยศสรรเสริญสูญเสียความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เราหามาได้กันเรารู้สึกอย่างไรเราก็มีแต่ความทุกข์กัน ความทุกข์ของพวกเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากอะไรเลยก็เกิดจากการสูญเสียลาบยศเสริเสริญสูญเสียความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายที่เราคิดว่าจะมาช่วยกาจัดความทุกข์ต่างๆแทนที่มันจะมาช่วยกาจัดความทุกข์มันกลับมาเสริมความทุกข์สร้างความทุขสร้างความทุกข์ให้กับเราอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่วันเกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้ทุกวันเราหา ลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงเกลื่อนลดเพื่อมากําจัดความทุกข์กันเพื่อมาให้ความสุขกันแต่ผลเป็นยังไงผลก็คือความทุกข์ก็ยังอยู่กับเราอยู่มาทุกข์กับอะไรก็ทุกข์กับลาบยศสรรเสริญนี่แหละโเวลาที่เราสูญเสียลาบยศสรรเสริญสูญเสียความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายไปเราก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา นี่คือสิ่งที่เราต้องพิจารณากันแล้วเราจึงจะเราจะได้เห็นโทษของการใช้ลาบยศสารเสริญสุขมาเป็นเครื่องมือในการดับความทุกข์มาเป็นเครื่องมือในการหาความสุขให้กับเราเพราะว่ามันไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเราได้มันทำได้เป็นเพียงพักๆเป็นชั่วครั้งชั่วคราว ช่วงที่มันทำไม่ได้มันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเออเช่นเดียวกับร่างกายของพวกเราเราก็ต้องคอยคิจรนาอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายของเราจะแข็งแรงสมบูรณ์เหมือนเหมือนอย่างที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้หรือไม่แต่เราอยากจะรู้ว่าร่างกายของเราต่อไปเป็นอย่างไรก็มองคนที่เขาเป็นก่อนเราสิร่างกายของพวกเราทุกคนนี้เป็นเหมือนกัน ลองมองคนที่เขามีอายุมากกว่าเราเ อ, อเช่นมองปู่ย่าตายายของเราเมื่อก่อนเขาก็เป็นเหมือนเราร่างกายของเขาก็แข็งแรงเหมือนเราเออแต่พออยู่ไปนานๆเขา้าร่างกายของเขาก็เริ่มเสื่อมสภาพลงไปเทละเล็กเทละน้อยออแล้วในที่สุดเขาก็ต้องแก่เจ็บตายไปออออนี่คือสิ่งที่เราต้องพิจารณากันจึงจะทําให้เรา เปลี่ยนทิศทางในการกำจัดความทุกข์เปลี่ยนทิศทางในการสร้างความสุขได้อันนี้อยู่ปัญหาของพวกเราอยู่แค่ตรงนี้เองปัญหาของพวกเรายัางติดอยู่กับการหาความสุขจากลาบยศสารเสรินจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตพะอยู่ยังอาศัยลาบยศสารเสรินสุขมากำจัดความทุกข์ต่างๆให้กับเราอยู่ แต่ถ้าเราพิจารณาถึงความไม่แน่นอนของลาบยศสารเสริญสุขพิจารณาถึงความไม่แน่นอนความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายของเราเราจะเห็นเลยว่าสักวันหนึ่งนี้เราจะต้องไปยืนตรงจุดที่เราจะไม่สามารถหาความสุขจากสิ่งต่างๆได้ไม่สามารถความจัดความทุกข์ต่างๆได้ถ้าเราเห็นอย่างนี้ มันก็จะทําให้เราหันมาในการหาความสุขดับความทุกข์แบบวิธีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เพราะเราถ้าเราได้ศึกษาเราก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสงฆ์สาวกก็ดีท่านก็เป็นเหมือนพวกเรามาก่อนท่านก็หาความสุขดับความทุกข์ด้วยการใช้ราบยศสรรเสริญ ใช้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมามาดับความทุกขมาให้ความสุขกับใจแต่หลังจากที่ท่านเหล่านั้นได้มองอนาคตของสังขารร่างกายของตนเห็นว่าร่างกายต่อไปก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายและความสามารถที่จะหาราบยศสรรเสริญสุขมันก็จะน้อยลงไปและจะหมดไปในที่สุด และบางครั้งบางทีร่างกายยังไม่ทันแก่เจ็บตายก็อาจจะเกิดการสูญเสียลาบยศสารเสริญสุขไปก่อนก็ได้ท่านเหล่านี้ท่านเห็นความจริงของลาบยศสารเสวญสุขว่าไม่ใช่เป็นทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ท่านจึงเปลี่ยนวิธีออกบวชกันเพราะว่าการที่จะ กำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้สร้างความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงได้นั้นจำเป็นต้องเลิกใช้วิธีเก่านั่นเองเหมือนกับเปลี่ยนรถยนต์เราใช้รถยนต์คันเก่าขับขึ้นเขาทีไรขึ้นมาไม่ได้สักทีกลับมาได้ครึ่งทางก็หมดแรงทีนี้ถ้าเราอยากจะขับรถขึ้นเขาเราก็ต้องไปซื้อรถใหม่ รถที่มีกำลังมากพอเห็นรถที่เขามีกำลังมากขับปุป๊บปั๊บก็ขึ้นถึงยอดเขาได้เลยถ้าเราอยากจะขึ้นถึงยอดเขาเหมือนรถคันอื่นเราก็ต้องไปเปลี่ยนรถของเราถ้ารถเก่าของเราขับไปแล้วทีไรขึ้นไปได้คแค่ครึ่งทางก็หมดแรงแล้วก็ต้องถอยกลับลงมาใหม่อันนี้ก็เหมือนกันวิธีการหาความสุขดับความทุกข์ของเราผ่านการ หาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้มันไม่สามารถกําจัดความทุกข์ได้อย่างแท้จริงไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้อย่างแท้จริงเลยเราต้องเปลี่ยนวิธีหาความสุขวิธีกําจัดความทุกข์กันใหม่เราต้องดูพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกเป็นตัวอย่างท่านเป็นเหมือนพวกที่เปลี่ยนรถยนต์ใหม่พวก ที่ไปเปลี่ยนรถยนต์ที่มีพลังที่สามารถขับขึ้นเขาไปถึงยอดได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วพระพุทธเจ้าก็ออกบวชพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายก็ออกบวชเพราะการที่จะกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปการที่จะสร้างความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายได้นั้นจําเป็นจะต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญากันนั่นเอง จะต้องรักษาศีลควบคุมการกระทําทางกายทางวาจาไม่ให้ไปทําอะไรตามความอยากต่างๆควบคุมจิตใจไม่ให้ไปคิดถึงความอยากต่างๆไม่ให้เกิดมีความอยากต่างๆแล้วก็ใช้ปัญญาทําลายความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจเพราะนี่แหละคือต้นเหตุของความทุกข์ของใจของพวกเราไม่ไม่ใช่เป็นอะไรทั้งหลาย เป็นความอยากหรือกิเลสตัณหาความโลภความโกรธ ค, ความหลงความอยากได้ราบยศสรรเสริญความอยากเป็นนั่นอยากมีนี่ความอยากไม่เป็นนั่นอยากไม่เป็นนี่ต่านี่แหละเป็นเหตุที่ทำให้เราทุกข์กันเป็นเหตุที่ทำให้เราไม่มีความสุขกันไม่ใช่อะไรที่ไหนเลยอันนี้ไม่มีใครรู้มาก่อนมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น ที่สามารถค้นพบความจริงอันนี้ได้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงมาพบความจริงอันนี้จะไม่มีใครสามารถที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆละสร้างความสุขที่ถาวรให้แก่จิตใจได้แต่พอมีพระพุทธเจ้ามาทรงค้นทรงค้นพบความจริงว่าปัญหาของพวกเรานี้อยู่ที่กิเลสตัณหานี้เท่านั้น ปัญหาคือความที่เราไม่มีความสุขที่แท้จริงไม่มีความสุขที่ถาวรมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายใจอยู่เรื่อยๆที่เราไม่สามารถกำจัดให้มันหมดสิ้นไปได้เสียทีนี้มันเกิดจากกิเลสตัณหานี้เท่านั้นเกิดจากความโลภความโกรธความหลงเกิดจากความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่ากามตัณหาเกิดจากความอยากได้อยากมีอยากเป็น เรียกว่าภาวะตัณหาและเกิดจากความอยากไม่ได้อยากไม่มีอยากไม่เป็นเรียกว่าวิภาวะตัณหานี้เท่านั้นเองถ้าสามารถกำจัดความโลภความโกรธความหลงกำจัดความอยากสามชนิดนี้ได้แล้วรับรองได้ว่าจะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจอีกต่อไปจะมีแต่ความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจไปตลอด เพราะว่าพระพุทธเจ้าได้พิสูจน์มาแล้วด้วยพระองค์เองพระองค์ทรงได้สละราชสมบัติและออกบวชปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาจนสามารถกำจัดกิเลสตัณหาต่างๆที่มีอยู่ในพระทัยของพระองค์จนหมดสิ้นไปสิ่งที่เหลืออยู่ก็มีแต่ความสุขตลอดเวลาที่ทรงเรียกว่าบรมมะสุข เป็นความสุขที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดไม่เหมือนกับความสุขที่เรามีกันยังไม่เป็นบรลมะสุขเพราะว่ามันเป็นความสุขแบบขึ้นขึ้นลงลงเริ่มมาแล้วไปเกิดแล้วดับแต่บรมถ้าเป็นบรลมะสุขแล้วนี้ไม่มีวันหายจะอยู่กับใจของเราไปตลอดหลังจากที่พระองค์ได้ทรงค้นพบสาเหตุที่ทําให้เราต้องมาทุกข์กัน ไม่มีความสุขกันก็คือกิเลสตัณหาและวิธีที่จะทำให้กิเลสตัณหาต่างๆหายไปหมดจากจิตจากใจก็ต้องเกิดจากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาพอพระองค์ได้ทรงพิสูจน์จนมั่นใจในผลที่ได้จากการปฏิบัติแล้วพระองค์ก็ทรงนำเอาความรู้นี้มาถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นต่อไป ผู้ที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสั่งคำสอนก็จะรู้ว่าถ้าอยากจะกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจถ้าอยากจะมีความสุขอย่างแท้จริงอย่างถาวรจําเป็นจะต้องกําจัดกิเลสตัณหาด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นวิธีการปฏิบัติอย่างอื่นนี้จะไม่สามารถกําจัดกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจได้ ต้องเกิดจากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาพอผู้ที่ได้ยินได้ฟังนำเอาไปปฏิบัติก็สามารถกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้สร้างความสุขที่ถาวรให้อยู่คู่ไปกับใจไปได้ตลอดท่านเหล่านั้นก็เลยกลายเป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมาเป็นผู้ที่ได้สิ้นเกิเลตตามพระพุทธเจ้า ผู้ที่สิ้นเกลเล็ดด้วยตนเองเราเรียกว่าพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าคือไม่มีใครสั่งใครสอนเพราะไม่มีใครรู้วิธีกำจัดกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจได้ก็เลยต้องศึกษาต้องค้นคว้าด้วยตนเองจนสามารถกำจัดกิเอ็ดตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจได้ก็เลยกลายเป็นผู้ที่ผู้สิ้นกิเอ็ดด้วยตนเอง ผู้ที่สิ้นกิเลสด้วยตนเองเราก็เรียกว่าพระอาหารหันตตะสาัมมาสาัมพุทธเจ้านี่เองส่วนผู้ที่ศึกษาได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าแล้วนําเอาไปปฏิบัติจนกําจัดกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากจ่ายได้เราก็เรียกท่านว่าเป็นพระอาหารหันต์สาวกพระอาหารหันต์จึงมีสองชนิดด้วยกันพระอาหารหันต ผู้สิ้นกิเลสด้วยตนเองก็คือพระพุทธเจ้าพระอรหันที่สิ้นกิเลสด้วยการศึกษาจากพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระอรหันตตสาวกคำว่าสาวกก็คือผู้ฟังนั่นเองผู้ฟังผู้ศึกษามีพระอรหันต์ในพระพุทธศาสนาอยู่สองแบบด้วยกันมีพระอรหันตัสัมมาสัมพุทธเจ้าและมีพระอรหันตตัสาวก ในพระพุทธศาสนานี้จะมีพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เพียงองค์เดียวเท่านั้นนอกจากนนี้จะเป็นพระอลาหาันตสาวกคือต้องได้ศึกษาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็นําเอาไปปฏิบัติถ้าปฏิบัติด้วยความเพียรพยายามปฏิบัติอย่างไม่ย่อหย่อนปฏิบัติแบบไม่ท้อถอยปฏิบัติแบบไม่หยุด ไม่ช้าก็เล็วก็สามารถที่จะบรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกได้ถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็ไม่เกินเจ็ดปีอันนี้เป็นหลักประกันของพระพุทธเจ้าที่จะมีได้เพียงแต่ในยุคที่มีพระพุทธศาสนาเท่านั้นถ้าไม่มีพระพุทธศาสนานี้ไม่มีวันที่จะสามารถที่จะ กำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้จะต้องรอโอกาสที่ไปเกิดในภพต่อไปในภพที่มีพระพุทธศาสนาเท่านั้นถึงจะสามารถที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้สามารถคสร้างความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงให้อยู่คู่ไปกับใจได้ตลอด ต้องมีพระพุทธศาสนาเป็นผู้สั่งสอนยกเว้นท้าเป็นบุคคลที่ฉลาดเหมือนพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้พบกับความสุขที่แท้จริงได้ด้วยตนเองนี่คือเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เรามาศึกษากันจากการฟังเทศฟังธรรมกัน ถ้าเราไม่ฟังเทศฟังธรรมไม่ศึกษาเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะเป็นเหมือนพวกไก่ได้พลอยคือไม่สนใจกับการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สนใจแต่การหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลต พ, พะเมืองไทยของเรานี้เป็นเมืองพุทธแต่มีพุทธแท้สักกี่คนกัน พุทธะก็คือผู้ที่เห็นคุณค่าของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ที่แสวงหาแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงจะเรียกว่าเป็นพุทธะพวกพวกพุทธปลอมก็เป็นพวกที่ไม่เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เช่นวันหยุดต่างๆเหล่านี้แทนที่จะเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมกันก็จะไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญ หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสกันก็คือการไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนี่เองการไปท่องเที่ยวนี้เรียกว่าการไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายส่วนการมาวัดมาฟังเทศฟังธรรมมาทำบุญทำทานมารักษาศรรีลมานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมนี่อันนี้แหละเรียกว่าเป็นการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ผู้ที่เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละจะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ที่หันหลังให้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ที่หาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้จะไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงแม้จะเกิดมาในเมืองพุทธก็ตามถึงแม้ว่าจะมีชื่อในทะเบียนบ้านว่าเป็นชาวพุทธก็ตามแต่ก็เป็นเพียงแต่ชื่อเท่านั้นเอง เพราะว่าการจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงนี้ต้องเป็นผู้ที่รู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รู้จักคุณค่าของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีความยินดีมีปรารถนาที่จะได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นสมบัติของตนและจะได้มาก็ต้องอาศัยการศึกษาและการปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์นี่เองนี่แหละเป็นทำไมเราจรึงต้องมันฟังเทศฟังธรรมกันอยู่เรื่อยเพราะเมื่อเราฟังเทศฟังธรรมแล้วเราจะได้รู้จักวิธีที่จะสร้างพระพุธพทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาในใจของพวกเราที่จะพาให้พวกเราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่จะทำให้เราได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงได้ ถ้าไม่ฟังเทศฟังธรรมเราก็จะไม่รู้จักวิธีเราจะไม่รู้ว่าปัญหาที่ทำให้เรานี่ไม่พบกับความสุขที่แท้จริงสักทีไม่สามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปได้อย่างสิ้นเชิงนี้ทำอย่างไรแต่ถ้าเราได้มาศึกษาแล้วเราก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่มาสร้างความทุกข์ให้กับพวกเราก็คือกิเลสตัณหา ที่มีอยู่ภายในใจของพวกเหล่านี้เองสิ่งที่ทำให้เราไม่สามารถเข้าถึงความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงได้ก็คือกิเลสตัณหานี่เองก็คือความยินดีในการหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะนี่เป็นความยินดีของกิเลสเป็นความต้องการของกิเลสกิเลสต้องการลาบยศสรรเสริญต้องการความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่ จะไม่สามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปได้ที่จะเป็นตัวที่ทำให้เกิดความทุกข์ต่างๆตามมาอย่างมากมายในภายภาคหน้านี่แหละคือถ้าเราไปทางลาบยศสรรเสริญสแสดงว่าเราไม่ได้กำจัดกิเลสตัณหากันเรากำลังส่งเสริมกิเลสตัณหาให้มีกำลังมีพลังมากขึ้น เพื่อที่จะได้มาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจต่างๆให้กับพวกเรามากขึ้นถ้าเราต้องการที่จะกําจัดกิเลสตัณหาเราต้องไปในทางของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือเราต้องไปในทางของทานศีลภาวนาหรือในทางของศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนากับศีลสมาธิปัญญานี้เป็นเป็นทางเดียวกันแต่เป็นสองเลน มีเลนที่เร็วกับเลนที่ช้ารถวิ่งช้าเขาก็ให้ชิดซ้ายรถวิ่งและวิ่งเร็วเขาก็ให้แซงขวาได้พวกที่ถือศีลสมาธิปัญญานี้ถือว่าเป็นพวกที่อยู่ในในเลนสําหรับรถที่วิ่งเร็วพวกที่ทําทานศีลภาวนานี้เป็นพวกที่ยังขับรถช้ายังรถรถยังวิ่งช้าอยู่ะแต่เป็นทางที่จะไปสู่การสิ้นจากความทุกข์เหมือนกัน ทำไมถึงต้องวิ่งอยู่ในเลนช้าเพราะรถมันมีสมบัติภาพวิ่งไม่ได้เร็วนั่นเองรถช้าเลยต้องชิดซ้ายส่วนรถเร็วก็จะแซงขวาไปได้พวกที่เป็นรถเร็วก็พวกนักบวชทั้งหลายนั่นเองพวกที่ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้ก็จะอยู่ในเลนของรถเร็วพวกที่ยังทำบุญทาทานยังรักษาศีลภาวานาก้มแก้มพอหอมปากหอมคออยู่ ก็เป็นพวกที่ยังอยู่ในเลนช้าอยู่แต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้อยู่ในสองเลนนี้เลยพวกที่ไปทางราบยศสรรเสริญไปทางความสุขทางตาหูจมูกเดินกายนี้เป็นพวกที่อยู่อีก้ากของถนนคือไปคนละทิศคนละทางกันพวกนี้ไปทางพวกทานศีลภาวนาพวกศีลสมาธิปัญญาเป็นเหมือนไปทางเหนือส่วนพวกที่ไปทางราบยศสรรเสริญ ไปสู่ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นเหมือนพวกที่ไปทางใต้ทางเหนือคืออะไรทางเหนือก็คือทางที่จะพาเราให้ออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้เองส่วนทางใต้นี้ก็เป็นทางที่จะพาให้เราวนเวียนอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนี่แหละคือผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทาของเราในปัจจุบันนี้ ถ้าเราไปทางศีลสมาธิปัญญาหรือไปในทางทานศีลภาวนาเรากำลังเดินทางออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันถ้าเราไปในทางของลาบยศสรรเสริญสุขเรากำลังเดินวนอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือสิ่งที่พวกเราจะได้มาได้ยินได้ฟังกันเวลาที่เราฟังเทศน์ฟังธรรมกัน แล้วเราจะได้รู้ว่าการดำเนินชีวิตของเราในตอนนี้จะพาเราไปที่ไหนกันบางทีเราไม่รู้กันทุกวันนี้เราตื่นขึ้นมาเราก็ไปทาอะไรต่างๆกันแต่เราไม่รู้ว่ามันจะพาเราไปที่ไหนกันสิ่งที่เราคิดก็คือไปพาเราไปสู่ความตายเท่านั้นเองเพราะสิ่งที่เราเห็นก็คือร่างกายร่างกายมันก็ต้องไปสู่สู่เมรุสู่สุสานเท่านั้นมันไม่ได้ไปไหน แต่จิตใจของพวกเรานี้มันไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตใจของเรานี่แหละที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปหรือที่จะหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่ร่างกายแต่เรามองไม่เห็นจิตใจเราเลยไม่รู้กันเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเรามาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเราถึงจะรู้ได้ว่าเรานี้ไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นจิตใจ แล้วเราก็จะได้รู้ว่าทิศทางที่เราจะไปนี้จะไปในทิศทางไหนอยู่ที่การกระทําของเราว่าเรากำลังทําอะไรกันอยู่เรากำลังขับรถอยู่ในเลนไหนกำลังขับรถอยู่ในทิศไหนถ้าเราไปทางทิศเหนือเราก็จะออกออกจากการเวียนว่ายตายเกิดแต่เราไปทางทิศใต้เราก็จะไปสู่การเวียนว่ายตายเกิด คือถ้าเราไปทางทานศีลภาวนาไปทางศีลสมาธิปัญญาเรากําลังจะออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันถ้าเราไปทางของราบยศสรรเสริญสุขเรากําลังไปในวงเวียนแห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันนี่แหละเราจะรู้เรื่องเหล่านี้ได้ถ้าเราได้มาฟังเทศฟังธรรมกันเมื่อเรารู้แล้วว่าอนาคตของเราจะไปในทิศทางไหนเราก็สามารถเปลี่ยนทิศได้ ถ้าตอนนี้เราไปในทางลาบยศเสรสิญสุขแล้ว ร, รู้ว่าจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างเรื่อยๆถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายอย่างที่เราเป็นกันอยู่นี้เราก็ต้องเปลี่ยนทิศ ท, ทางขับรถก็ยูเทิร์นกันหยุดรถแล้วเปลี่ยนทางเคยไปในทางลาบยศเสรสิญ ส, สุขแล้วก็กลับยูเทิร์นกลับมาไปในทางของทานศีลภาวนากันไปในทางของศีลสมาธิปัญญากัน พอเราเปลี่ยนทิศทางการเดินแล้วเป้าจุดหมายปลายทางของการเดินก็จะเปลี่ยนไปทันทีจากการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันสิ้นสุดก็จะพาเราไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดพาเราไปสู่พระนิพพานที่มีแต่ความสุขไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะขวนขวายทากันอยู่เรื่อยๆมันศึกษาฟังเทศฟังธรรมกันอยู่เรื่อย แล้วเราจะเห็นคุณค่าของพระรัตนตรัยเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่ากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และเราจะพยายามเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เพราะเราจะได้รับประโยชน์ที่ไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถมอบให้กับเราได้นั่นเองจึงขอยุติการแสดงไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมท น, นาให้พร ยะถาวาริวหาปุราปะริกปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัรปฏิยที่ตังปที่ตังตุมหังคิดเปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนตุส ah ังกปาจันโทปนาระโสยะถามณีโชติ ระโสยะถาสภิติโยวิวาจันตุสัพพโควินาศตุมาเตภวะตะวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีลิตสะนิจจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวัฏานติอายุวโนสุขัง ล, ลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาใครฟังทำแล้วไม่เข้าใจตรงไหนอยากจะถามเพิ่มเติมขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งเข้ามาแล้วจะมะีพิธีกรช่วยอ่านคำถามให้ วันนี้เข้ามาเท่าไหร่ครับผมวันนี้ทาง Facebook เข้ามาทั้งหมดสองร้อยเจ็สิบแปดคน y o u t u หนึ่งร้อยสี่สิบหกคนพิทยุออนไลน์ยี่สิบเอ็ดคนผู้รับฟังบนเขาสองร้อยยี่สิบห้าคนรวมทั้งหมดหกร้อยเจ็ดสิบคนครับผมถ้าไม่มีใครถามหรืออยากจะถามอ่ะเดี๋ยวส่งไปทางนี้ก่อนเนี่ยพูดใกล้ๆปากหนะ่อย ที่ท่านอาจารย์ที่ท่านพระอาจารย์บอกว่ามีสองทางที่ที่ที่ไปถูกครับก็คือทางเลนที่มันไปช้ากับเลนที่มันไปเร็วครับเลนที่มันไปช้าเนี่ยทานศีลภาวนาเลนที่มันไปเร็วคือศีลสมาธิปัญญาครับทีนี้คําถามก็คือว่าถ้าเรามาทางทานศีลภาวนาเนี่ยแสดงว่าเราจะไม่บรรลุถึงพันปณิพันในชาตินี้ใช่ไหมครับหรือว่ามันช้าไงมันนวดวิ่งช้า ครับมันจะทันเวลาหรือไม่แล้วแต่เราจะตายเร็วหรือตายช้าถ้าอยากจะไปภายในให้ถึงภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีก็ต้องไปทางทางศีลสมาธิปัญญาทางนัก บ, บวช น, นั่นหมายความว่าเราเราไม่สามารถคลองเรือนในในขร า, าวคารวะได้เราต้องไปบวดอย่างนั้นพื่อเป็นคารวาดมันก็จะทำไม่ได้เต็มที่นั่นเองอ่ามันอยู่ที่เวลาการกระทำมันน้อย ต้องทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเนยอะไรต่างๆเวลาที่จะมาปฏิบัติสมาธิปัญญามันมีไม่พออืคนที่ก็อยู่ในเรือนก็นถึงต้องเปลี่ยนเลนกันเนี่ยว่าถ้าอยู่อย่างนี้ไปก็ไปช้าก็อยากจะไปเร็วก็ออกบวชกันแล้ ว, แ ล, วแล้วถ้าเราออกบวชในในขณะที่เรายังมีภาระอยู่ข้างหลังเนี่ยรเราไม่กันก็นก็ไปไม่ได้ไงก็เปลี่ยนเลนไม่ได้ครับ เพราะเาจะเปลี่ยนเรนต้องเปลี่ยนรถ ด, ด้วยอะใช้รถคันเก่าไม่ได้รถคันเก่ามันช้าวิ่งช้าต้องไปเปลี่ยนรถใหม่ต้องเทรดอินต้องไปเปลี่ยนรถเก่ารถที่ช้าไปเป็นรถใหม่อของกของเก่าก็ทิ้งหมดแล้วก็รถใหม่คนบวชก็ทิ้งสมบัติทั้งหมดทิ้งลูกทิ้งหลานทิ้งครอบครัวทิ้งอะไรไปหมดจะได้รถใหม่ได้บริการแปด พวกที่ใช้รถใหม่นี้จะมีสมบัติแค่แปดชิ้นรถมันเบาไงมันเลยวิ่งได้เร็วมีแค่มีจีวรมีบาทมีใบมีโกนมีเข็มขัดรัดเอวมีที่กองน้ามีเข็มก็ได้เนี่ยสำหรับของพวกที่ต้องการไปเร็วต้องบรรทุกของน้อยพวกที่ยังอยู่อีกเรนช้านี่มีทั้งลูกมีทั้งเมียมีทั้งสมบัติมีที่มีทางมีอะไรเต็มไปหมดมันก็วิ่งช้าสิเห็นไห รถบรรทุกกับรถรถสปอร์ตนี่ขนาดไหนมันวิ่งเร็วกว่ากันฮะลองไปเปลี่ยนเป็นปอร์เช่ดูเลยขับสิบล้อแล้วไปไปแขนกับปอร์เช่มันก็ไม่ทันก็นหรอกใช่ไหมลองไปเปลี่ยนเป็นปอร์เช่เป็นเฟอร์รารี่อย่างเงี้ยรถเดียวเนี่ยมันถึงแล้วถ้าสิบล้อกับเฮ่เอเฮอไปอย่างงี้ยเอาใจอย่างสภาพของผู้ค้องเรือนกับผู้บวชนี่มันไม่เหมือนกันภาระ ที่คอยดึงให้ไปลาช้านี่มันมากน้อยต่างกันนักบวชนี่พระเจ้าบอกอย่าเอาอะไรติดตัวไปเลยไปแบบนกเนกมันไปไหนมาไหนมันไม่มีสมบัติติดไปกับมันเนี่ยถ้าไปแบบคนนี่ก็โหยบาดกันไปย้ายบ้านทีนี้โอ้โหก็จะย้ายเสร็จไม่รู้กี่วนันกี่เดือนออสมบัติมันเยอะเอาใจเนี่ยท่ามางไว่าว อันนี้ลูกชายไม่มีคำถามเลยมีไหมมีแล้วไม่มีอ่ามีก็ไม่ไปพูดดังๆนะอยู่พูดใกล้ๆปากคือที่บ้านพ่อเขาชอบฟังธรรมะแล้วเขาก็ชอบพูดถึงนิพพานนะครับจะถามว่าคนธรรมดาสามารถที่ที่ไม่ได้บวชเหมือนแบบตลอดไปสามารถไปถึงนิพพานได้ไหมครับ ได้ถ้าเขาทำตัวแบบนักบวชถึงแม้เขาไม่ได้บวชแต่เขาทำตัวแบบนักบวชคืออาจจะแยกบ้านอยู่กับเมียกับลูกให้ลูกเมียอยู่บ้านหนึ่งเขาก็ไปอีกบ้านหนึ่งอย่างนี้แล้วเขาไม่ต้องไปทำงานทำมาหากินก็มีเงินพอที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ได้อันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นนักบวชเพียงแต่ว่ายังไม่ได้บวชทางร่างกายเทนั้นเองแต่ทางจิตใจทางเวลาเวลานี้เหมือนนักบวช มีเวลาปฏิบัติได้ตั้งแต่ตื่นจนหลับเงี้ยแต่ถ้าต้องไปทำงานต้องไปเกี่ยวข้องกับคนนั่นคนนี้ก็มันก็จะช้าต่อไปอาจารย์ครับเปิดใหม่กันขอบพระอาจารย์ครับพอดีเดี๋ยวเขาตอบคำถามที่ที่พอดีเมื่อกี้พี่ก็ถามเกี่ยวกับทางพอดีเลยสองห่องแล้วถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะว่าถ้าเราไม่ค่อยเก่งเรื่องสมาธิ แต่ว่าเราพยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเออทุกทุกที่ว่าเกิดจากผัสสะที่ได้มันก็แต่มันมันถ้าไม่มีสมาธินี่มันไม่มีกําลังจะฆ่ากิเลสนะครถึงแม้เราจะคิดเราจะรู้ว่าทุกเกิดจากกิเลสทุกจะอะไรอย่างนี้แต่ถ้ามันไม่มีกําลังจะหยุดกิเลสมันก็หยุดไม่ได้เหมือนคนที่รู้ว่ากินเหล้าไม่ดีแต่ถ้าติดแล้วมันก็เลิกยาก แต่ถ้าไปฝึกสมาธิได้นั่งสมาธิได้พอเห็นว่าดื่มเหล้าไม่ดีก็หยุดได้เลยต้องมีกำลังหยุดก็แสดงว่าถ้าเราจะหลุดพ้นอยากจะหลุดพ้นจริงๆเราต้องเราก็ต้องฝึกฝึกสมาธิด้วยให้ได้สมาธิให้ได้ฌ า, านสี่ให้ได้ให้ได้อัปปนาสมาธิใจต้องหยุดนิ่งเวลาหยุดนิ่งกิเลสมันหยุดมันทำงานไม่ได้เวลาเข้าสมาธิ ปนาสมาที่นี้ใจจะนิ่งหยุดเหมือนนี่เราหยุดรถอย่างนี้ถ้าหยุดรถแล้วกิเลสมันจะเอารถไปวิ่งไปไหนมาไหนไม่ได้ถ้าเราดับเครื่องแต่ถ้าเราติดเครื่องเมื่อไหร่เดี๋ยวกิเลสมันมาแย่งขับได้คําถามจากคุณพัชราค่ะโยมเคยเรียนถามพระอาจารย์ว่าเห็นเวทนาทางกายจิตจับอยู่กับพุทโธไม่ห่วงไม่กลัวตายแล้วพระอาจารย์ถามว่า ห่วงลูกสามีเออลูกสามีละ่ะวางได้หรือยังเมื่อสัปดาห์ก่อนโยมแอดมิด ท, ที่โรงพยาบาลพบมะเร็งปอดระยะสุดท้ายและเมื่อวานนี้ก่อนตัดชิ้นเนื้อต้องนอนราบทรมานจากการหายใจไม่ออกได้เห็นสามีและลูกมาอยู่ข้างเตียงจึงเห็นว่าจิตเราไปผูกติดกับพวกเขาแทนคำภาวนา และได้เข้าใจว่าสัญญานี้คือสิ่งที่ติดค้างเราไปพบชาติหน้านี่เองที่พระอาจารย์ทักมาจิตเห็นก็วางค่ะวางสัญญาสังขารจิตมาเกาะพุทโธต่อได้กราบเรียนถามพระอาจารย์ว่านี่คือถูกต้องหรือไม่ลูกวางได้จริงหรือไม่ถ้าใจสงบไม่ทุกข์กับความเจ็บความตายก็ถูกต้องถ้ายัางกังวลกังวลกระสับกระส่าย ยังไม่สงบก็แสดงว่ายังไม่ถูกต้องคําถามจากคุณจินค่ะนกพิราบมาวางไข่ในระเบียงโยมเก็บไข่ออกมาเพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาวบาปหรือไม่เจ้าคะควรทําอย่างไรดีเจ้าคะถ้าไม่ได้ไปทําลายไข่แต่ไม่รู้ไข่มันจะฟอกได้มันจะลูกมันจะออกมาได้หรือเปล่า ถ้ามันทําให้ไข่นั้นไม่สามารถที่จะให้ให้ตัวที่อยู่ในไข่ฟักออกมาได้ก็เหมือนไปทําแทงทําให้เขาไม่ได้เกิดนี้ก็บาปเหมือนกับการฆ่าเหมือนกับการทําแทงงั้นอย่าไปยุ่งกับเขาเลยปล่อยเขาอยู่ไปตามสภาพของเขาเถอะเขาจะอยู่ได้ไม่อยู่ได้ก็เป็นเรื่องบุญเรื่องบาปของเขาไปถ้าเราจะช่วยเราต้องช่วยในวิธีที่จะไม่ได้ทําให้เขาเสียหาย เช่นเอาไข่ไปแล้วเอาไปฟักฟักในเครื่องเดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องฟักใช่ไหมก็เอาไข่ไปแล้วไปฟักในเครื่องแล้วพอลูกออกมาก็ต้องเลี้ยงให้เขาแทนแม่เขาไปจนกว่าเขาจะบินไปได้ช่วยตัวเขาเองได้อย่างที่เนี่ยที่ป่าไม้ของเรานี่ก็มีศูนย์เพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์ป่าเขาก็เอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของสัตว์ป่าที่หายากเช่นพวกไก่ฟ้าพวกนกยูงพวก นกเขานกอะไรที่จะสูญพันธ์เนี่ยเขาก็ให้มันมาอยู่ผสมพันธ์กันพอเขาพอมันฟักลูกพอมันไข่เขาก็เอาไข่ไปเข้าในตู้อบแล้วก็เลี้ยงมันพอมันโตก็เอาไปปล่อยในป่าเพื่อจะได้มีการขยายพันธ์ต่อไปถ้าอย่างนี้ไม่บาปแต่ถ้าเอาไข่ไปวางไว้เฉยๆแล้วไข่มันตายไปอย่างเงี้ยมันก็บาป คำถามจากคุณการค่ะกลับน้ำมัสการถามเมื่อเราตายไม่มีร่างกายแล้วเหลือแต่จิตหากก่อนตายเราได้ฝึกจิตมาบ้างแต่ยังไม่บรรลุธรรมจิตเราที่ไม่มีร่างกายแล้วนี้จะสามารถฝึกจิตต่อไปจนบรรลุธรรมได้ไหมครับถ้าเป็นพระโสดาบันขึ้นไปแล้วก็ปฏิบัติต่อได้ถ้าเป็นพระระยะบุคคลแล้วมันจะ ปฏิบัติไปโดยอัตโนมัติเหมือนเข้าเกียร์อัลโต้แล้วทีนี้มันก็จะวิ่งของมันไปจะมีคนขับไม่มีคนขับมันก็วิ่งของไปจิตใจที่มันได้เข้าสู่กระแสของพระนิพพานแล้วมันก็จะไหลไปสู่พระนิพพานเพียงอย่างเดียวต้องเป็นพระโสดาบันขึ้นไปถึงจะสามารถปฏิบัติได้ทุกแห่งทุกหนไม่ว่าจะอยู่ในภพไหนชาติไหนก็ตามคำ ถ, ถามหมดแล้วคะ่ะหมดแล้วนะขอถามค่ะเอาเลย ถ้าเกิดว่ามีคนที่เอ่อโดนมแมลงกัดต่อยอะค่ะแล้วตัวพองอะค่ะเป็นพองทั้งตัวตั้งแต่แพ้ค่ ะ, ะตั้งแต่หัวถึงในร่างกายแล้วควรเราควรที่จะแล้วเจ็บแสบทรมานนะค ะ, ะเราควรที่จะหายากินหรือไปหาหมอหรือว่านั่งสมาธิภาวนาเพื่อให้หายไปค่ะได้นั้งสองอย่างคือข้อสำคัญอย่าให้ใจเราทุกข์กว่ามันนน ถ้าใจทุกข์ไปหาหมอใช้ยายังทุกข์อยู่ก็ใช้ไม่ก็ไม่ถูกถ้าไม่ไปหาหมอใจก็ยังทุกข์อยู่ก็ไม่ถูกแต่ถ้าใช้ยาแล้วใจไม่ทุกข์หรือไม่ใช้ยาใจก็ไม่ทุกข์ก็ใช้ได้ทั้งสองอย่างคือเราต้องการแก้ปัญหาที่ใจส่วนร่างกายมันก็มันก็รักษาของมันเองหายก็หายไม่หายมันก็ตายเท่านั้นมันก็มีเท่านั้นเองแต่ใจต้องไม่ทุกข์กับมัน มีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมมีเข้ามาค่ะอ่าเข้ามาต่อคำถามจากคุณเพนสีกราบนมัสการค่ะดิฉันมีเรื่องถามค่ะดิฉันเลี้ยงแมวหลายตัวแต่แม่ดิฉันไม่ชอบเขาบอกให้เอาไปปล่อยแต่ดิฉันไม่ยอมปล่อยดิฉันจะบาปกับแม่ไหมคะถ้าดิฉันเอาไปปล่อยจะบาปใหมคะดิฉันสงสารมันค่ะ ออไม่บาปทั้งสองอย่างไม่ทำตามแม่ถ้าเป็นการกระทำที่มันออไม่บาปมันก็ไม่บาปออแล้วการไปปล่อยมันมันก็ไม่บาป เ, ออเพราะเราไม่ได้ไปฆ่ามันเพียงแต่ว่าเราจะขาดความเมตตาเท่านั้นเองเราจะไม่ได้บุญเราไม่ได้แผ่เมตตาให้กับมันละเราตัดมันทิ้งให้มันไปอยู่ตามสภาพของมันอันนี้เรียกว่าอุเบกขาแล้วเราปล่อยวาง ก็ก็ไม่บาป ก, การที่เราไม่ทําตามคําสั่งของพ่อแม่นี้ขึ้นอยู่กับว่าคําสั่งที่เขาสั่งนี้มันมันถูกแร้วไม่ถูกถ้ามันถูกเราไม่ทํามันก็แสดงว่าเราดื้อเท่านั้นเองเช่นพ่อแม่บอกอย่าดื่มเหล้าอย่างเงี้ยเรายังดื่มต่ออย่างเงี้ยมันก็ไม่บาปเพียงแต่ว่าเราดือ้อแล้วเราก็จะ ไม่ได้รับประโยชน์จากคำสอนที่ดีของพ่อแม่แต่ถ้าเป็นการกระทำที่ไม่เสียหายอย่างไรแม่บอกว่าอย่าเลี้ยงแมวเลยอย่างนี้เราไม่ทำตามไม่บาปหรอกเพราะว่าการเลี้ยงแมวนี้มันเป็นการแผ่เมตตาการเจริญเมตตาเห็นการที่แม่จะบอกให้เราหยุดเมตตานี้เราไม่ต้องทำตามก็ได้ไม่บาปเห็นต้องดูว่า สิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นอย่างไรออหมดแล้นะไม่มีอะไรใช่ไหมถ้าไม่มีก็จะขอยุติการฟังธรรมสนทนาธรรมไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิษฐ์พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิน